<Book> 84ยันน์ให้นาลกูกอดีตการสี่บูตการันาลกูกอ่านชาดวบดมดิฉันอ่านแล้วเนีน่ชาดีวานม ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วนนูนวละมดท่านเฉวานุเข้าใจอัธคมเจสกุลนัตดิฉันเข้าใจแล้วนี่นูอัธคมเจสกุล น, นานุดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วนนูมดทัมงป่าท่านนี่อัธคมเจสกุล น, นาน ตอบสมั�ดาหนังเจ็บปะดิฉันตอบแล้วเนี่ยหนูเจ็บป่ะนุดฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้วเนี่ยหนูอันนี้เปน็นอะไรกูสมัมดาหนังเจ็บนที่ฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้วนาว่ากอดีเตลสูนา่ากอดีเตลสู ดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วเนเนออดิราเซนุเนเนออดิราเซนุด <American Hebrew> ิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้วเนเนดาดนิวินนาโนเนเนดาดนิวินนาโ น, น, น, นดิฉันกำลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้วเนเนดาดนิเตชานุนาโกซันไดนิเตชานุ ดิฉ <spe> ันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วเนเนดาเนเตสตานุนากัวเซนดาเนเตสตานุดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้วเนเนดาเนกอนตานุเนเนดาเนกอนนานุดิฉันคาดไว้ว่าดิฉันได้คาดไว้แล้วว่าเนเนดาเนออสิสตุนนาน เนนดานนี้อาสินฉันุดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแลว้วเนนดานนี้เวบริสตานุเนนดานบริฉันนุดิฉันรู้ดิฉันรู้แลว้วน่ากว่ดิเตลสุนากวาดิเตลสุ